เพ่งพากันตั้งสติสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นเวลานี้เรามาประชุมกันเพื่อฝึกขนกายฝึกขนจิตอันนี้ให้ส ง, งบกาย ก็นั่งอยู่นิ่งๆใจก็มีสติสัมปชัญญะสำรวมอยู่ภายในเน่อว่าเราประคับประคองให้จิตนี่มันตั้งอยู่ภายในอย่าให้มันต้องการคิดนึกไปตามเรื่องราวต่างๆ ที่เคยคิดเคยนึกมาแต่ก่อนต้องระมัดระวังเพราะว่าจิตใจนี่มันยอมชอบคิดไปในเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วมันยึดถือเรื่องใดไว้มันก็ชอบจักเนาะเอาเรื่องนั้นมาคิดมาวิจารณ์อยู่เสมอทำให้ใจสงบลงไม่ได้ เวลานี้เป็นเวลาที่เราจะต้องทําความสงบใจไม่ใช่เวลาคิดอ่านการงานต่างๆเราต้องแบ่งเวลาเวลาทําความสงบใจก็สงบจริงๆหยุดคิดหยุดนึกตั้งสติควบคุมจิตนี้ให้หยุดคิดลงไปจริงๆเลยทีเดียว ทำเล่นไม่ได้การฝึกฝนจิตนีนะ้อาศัยสติธรรมะชียร์นี่เป็นกำลังควบคุมจิตตรงนี้จิตนี้ถ้าขาดสติสัมัชียร์นี้แล้วเหลวไหลใช้การไม่ได้เลยทำการงานอะไรก็สำเร็จรุ่รวงไปไม่ได้เลยเพราะว่าใจมันไม่ตั้งมัน่น พอคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วยังไม่ทันรู้แจ้งเดี๋ยวมันก็กลับไปคิดเรื่องอื่นต่อไปเช่นนี้ก็เลยไม่มีทางที่จะรู้แจ้งได้เลยแต่ละเรื่องแต่ละอย่างจิตใจก็เลยเกาะเลยคล้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆปรงก็ไม่ตกวางก็ไม่ลง จิตใจที่เลื่อนลอยนั้นท่านอุปมาเหมือนอย่างลิงที่กระโดโดโลดเต้นไปตามป่าคว้าใส่กิ่งนี้วางกิ่งนี้ก็คว้าใส่กิ่งโน้นน้อยต้นนักที่จะมีผลให้ได้บริโภคก็ต้องดิ้นไปอย่างนั้นแหละกระโดโดโลดเต้นไป จนไปเจอผลไม้เข้าน้นนะอ่ามันก็จึงจะหยุดนิ่งกินผลไม้นั่นต่อไปจิตใจคนเราก็เป็นเช่นนั้นแหละอันที่มันดิ้นมันคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานา น, านี่ก็เพื่อมันสแสวงหาความสุขนั่นแหละแสวงหาความพอนี่นะ เดี๋ยวนี้จิตใจมันหิวอยู่มากมันหิวความสุขมันหิวความพอมันไม่พอมันไม่อิ่มเรื่องมันะนะทีเมื่อเราฝึกฝนเข้าไปพยายามฝึกส ต, ติสมถะสัสยะควบคุมจิตนี้เข้าไปเรื่อยๆอพยายามให้มันหยุดมันนิ่งเมื่อพยายามไปไม่ท้อไม่ถอย สติมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็ทำให้จิตนี่หยุดนิ่งลงได้นั่นเองเหมือนอย่างลิงมันไปเจอผ ล, ลไม้แล้วนั่นนะมันก็หยุดนิ่ง เ, ออเก็บผลไม้นั่นกินตามสบายเมื่อมันยังไม่ทันพบกับผลไม้นี่มันก็ต้องกระโดดโลดเต้นเลื่อยไปอย่างนั้นเนี่ยจิตใจนี้ก็เป็นอย่างนั้น แต่อันลิงน่ะไม่มีควบไม่มีใครควบคุมมันนะมันก็ไปเรื่อยเปื่อยไปงั้นเลยแต่คนเราเนี่ยจิตใจเนี่ยตัวเองแหละควบคุมตัวเองเมื่อได้ฟังคำสอนของทระพุทธเจ้าแล้วมาเห็นโทษแห่งการปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปยินดียินรายเสียใจดีใจไปว่ามันมีโทษการปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปอย่างนั้นนะเมื่อมาเห็นโทษ อย่างว่านี้แล้วก็ตั้งอกตั้งใจตั้งทำความเพียรควบคุมจิตตัวเองไปเรื่อยๆนี่มันก็ดีกว่าลิงล้วบานี้นะเพราะว่ามันรู้จักควบคุมจิตแต่ถ้าใครไม่รู้จักวิธีควบคุมจิตตัวเองหรือไม่ปรารถนาที่จะควบคุมจิตใจตัวเองให้สงบให้นิง่งมันก็ไม่แปลกจากลิงเท่าไหรนะ่นัก แบบนี้นะเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนให้รู้ตัวบางทีตายแล้วก็อาจจะไปเกิดเป็นลิงก็ได้ใครไม่รักษาจิตใจตัวเองคนทั้งคนมันก็มีจิตดวงเดียวนี่แหละเป็นแก่นการที่บุคคลมาทําบุญคุ้มค้นความดีต่างๆมูนีก็เพื่อจิตดวงเดียวนี้เพื่อให้จิตดวงนี้เนะ่ะมัน ส ง, งบมันมีความสุขเมื่อมันส ง, งบได้มันก็มีความสุขไอความส ง, งบกับความสุขนั่นเป็นของคู่กันนี่ให้เข้าใจการที่จิตมันจะส ง, งบได้ก็เพราะว่ามันอิ่มอยู่ในความดีเมื่อเพ่งเข้าไปภายใน น, นี่เห็นบุญคุศนเห็นคุณอันประเสริฐตั้งอยู่ในใจนี่ บาปไม่มีอยู่ในใจิตใจมีแต่บุญแต่คุณตั้งลงในจิตใจนี่อย่างนี้นะธรรมดาบุญคุณนี่เป็นของเย็นเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจนี้ก็ทําให้ใจนี้เยือกเย็นสบายเมื่อใจสบายอย่างนี้มันก็สงบได้มันก็ไม่หิววะนี่น ะ, ะมันก็ไม่ดิน้นโลนไปใ น, ในเรื่องอื่นๆใดเพราะมันได้ความเย็นใจ ได้ความสบายใจเนื่องจากว่าตนสั่งสมบุญคุณให้เกิดขึ้นในดวงจิตของตนนี่สั่งสมอย่างไรสั่งสมบุญคุณก็เรามีสติควบคุมจิตไว้ไม่ให้มันยึดเอาเรื่องชั่วมาไว้นี่ให้มันดำริตีตองแต่เรื่องดีเรื่องที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่น ถ้ามันชอบจะคิดอย่างนี้นะก็ให้มันคิดไปในทางที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นคิดไปในทางที่มันเป็นเกื้อกูลแก่ความสงบใจเช่นอย่างว่าเมื่อคิดถึงชีวิตเนี่ยมีประมาณน้อยน้อยนิดเดียวหนึ่งแล้วคิดถึงว่าอัตภาพร่างกายนี้มันมีความตายเป็นที่สุด ตายแล้วก็ไม่มีใครเอาอะไรปิดตัวไปได้อย่าว่าแต่เงินทองเลยอัตภาพร่างกายที่เป็นของหวงแหนอยู่นี่นะก็ยังเอาติดตัวไปไม่ได้เลยสาอะไรเงินทองของภายนอกนูนะ่นน่ะมันจะติดตัวไปได้เมื่อมันนึกมันวิจารณลงไปอย่างนี้เนะใจมันก็คอดเข้ามาแล้วมันจะไม่ดิ้นไปในอารมณ์ต่างๆนะนี่เรียกว่า กรรมวิธีที่จะให้ใจมันสงบลงไฟนะพระศาสด า, าทรงสอนไว้หลายอย่างอย่างนี้่ <c oughs> เมื่อมันนึกถึงความตายนี่นหละมาเห็นชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวเนี่ยใจมันจะได้หดเข้ามามันมันจะไม่ยืดออกไปตัณหามันก็เบาลงความอยากได้อะไรต่ออะไรมันก็น้อยลงเพราะมันมองเห็นความตายลำเลีอยู่แล้วนี่ แล้วชีวิตนี่จักไม่เป็นจักอยู่ในโลกนี้ไปไม่ได้นานเลยก็รู้กันดีอยู่แล้วบางคนก็อายุมาถึงห้าสิบหกสิบปีมาแล้วอย่างนี้นะมันจะมีอะไรอายุไขคนเราเจ็ดสิบ้าปีเท่านั้นนะทุกวันนี้ถ้าเลยนั้นไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยคอยแต่วันตายอยู่เท่านั้นเองนะเราจะไปสร้างความ จเจริญรุ่งเรืองอะไรต่ออะไรเหมือนยังเมื่อยัง ห, ออยงหนุ่มแล้วทําไม่ได้เลยเพราะว่าบุญกุศลมันล่อยหลอลงไปแล้วกําลังกายก็อ่อนแอท้อแท้ลงไปเลยหูตาอะไรก็ไม่ปกติเหมือนเดิมแล้ววันนี้เรามาลําพึงถึงอัตภาพร่างกายถึงชีวิตเป็นอารมณ์อยู่เนี่ยมันก็ให้เกิดสังเวชสลดใจลงไปอ่น นี่แหละก็ทำให้ใจที่มันเคยทะเยอะทะยานรี่นลนไปในเรื่องต่างๆนั้นนะมันคดตัวเข้ามาได้เลยวันนี้น ะ, ะนโดยเฉพาะจิตที่มันคิดไปในทางอากุศลนี่นะมันจะได้ยุติลงเนะพราะว่าสติมันเตือนตนนะถ้าหากว่าจิตคิดเป็นอกุศลอยู่อย่างนี้ หากเพื่อความตายมันมาตัดรอนชีวิตนี่ในขณะที่จิตคิดเป็นอกุศลอยู่อย่างนี้ตายแล้วมันจะต้องไปสู่อาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นแน่นอนเลยอย่างนี้อพอมาเตือนตอนได้อย่างนี้มันก็หยุดคิดไปในทางอากุศลแล้วเช่นอย่ญญาว่าคิดโกรธคนนั่นเกลียดคนนี้อคิดจะเบียดเบียนคนโน้นคนนี้อะไรอย่างว่านี่นะนี่แล้วว่าจิตคิดเป็นอกุศลนะ่ะ มันจะได้ยุตีลงเ่ยเมื่อมันเตือนตนได้อย่างว่านี้นะแล้วมันก็เป็นความจริงเสียด้วยอย่างเช่นเช่นท่านแสดงไว้ในตำราเรื่องพระเจ้าอาโศกะมหาราชผู้เป็นใหญ่ในประเทศอินเดียหลังจากพระพุทธเจ้าพรินิพพานมาแล้วได้สองร้อยกว่าปีมามีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาทำบุญสุนทานเยอะทีเดียว แต่ว่าไม่ได้ฝึกผลอบรมจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ด้วยดีเรียกว่าให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่างเต็มที่ทีนี้นเมื่อเวลาเจ็บหนักลงไปบรรดาพกเสนาอำ ม, มาตย์ทั้งหลายก็มาวิจารณ์กันว่าพระราชาพระ อ, องค์นี้ใช้จ่ายพระราชาทรัพย์อันนี้น่ะพุ่มเฟือยเหลือเกิน ทำให้ผู้อยู่เบื้องหลังนี่จะต้องขาดแขนลำบากทำบุญให้ทานก็ทำเกินขอบเขตอย่างนั้นพอได้ยินเสียงเสนาอามาตตวิจารกันอย่างนั้น<ม>ก็เสียพระไทยกลุ้มโอคุมใจโ<ม>น้ยเนื้อต่ำใจเรีวกว่าก็โกรธให้เสนาอามานั่นแต่ว่าทำอะไรกับเพื่อนไม่ได้เพราะว่าตนมันหมดโอกาสแล้ว อาการมันเทียบหนักเต็มทีแล้วขันพอตายลงอย่างนี้เลยก็ไปเกิดเป็นงูเหลือมเอาหางเกี่ยวต้นไม้เอาหางเกี่ยวกิ่งไม้แล้วก็เอาหัวหมุดลงไปหากินปลาอยู่ในน้ำมาหาสมุทรทะเลนน่นแต่ก็ยังดีอ่ะท่านได้ลูกสาวลูกชายออกบวด ควาเพญไปก็ได้สําเร็จอทาหันเช่นพมหินธาตุเถระเจ้าได้เข้าฌานพิจารณาเห็นว่าบิดาของตนตายแล้วได้ไปเกิดเป็นงูเหลื่อมจึงได้เหาะไปตักเตือนให้ระลึกถึงบุญถึงกุศลความดีที่ตนทํามามากมายนั่นเป็นอารมณ์เมื่อได้รับตักเตือนอย่างนั้นมานึกถึงบุญถึงกุศลความดีที่ตนทํามา ได้แล้วก็เลยตายจากมูเหลืองก็ไปเกิดสวรรค์ได้นี่ต้องคิดดูให้ดีพระเจ้าอาโศกมหาราชนี่ได้สร้างพระวิหารถึงแปดหมืนสี่พันห้องแล้วก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตของพระเจ้าไปประดิษฐานไว้ในพระวิหารนั่นมากมายแล้วก็ทำบุญฉลองอยู่ทั้งเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวัน อย่างนั้นนะแล้วเมื่อเวลาได้กระทบกับเรื่องที่ไม่ดีไม่งามต่างๆขึ้นมาจิตใจยังเศ้าหมองขุ่นมัวไปด้วยความโกรธความน้อยเนื้อต่าใจความโศกเศร้าเสียใจอะไรต่ออะไรนั่นแหละลองคิดดูวเวลาจวนจะขิ้นชีพทลายขันอย่างนั้นถ้าว่าปล่อยใจให้เศ้าหมองขุ่นมัวอย่างว่าเนี่ยทุกขติก็เป็นอันหวังได้เลยทีเดียว่ แต่นี่จะว่าเพื่อนมีบุญมากแต่จิตใจเป็นอกุศลก็ไม่มากเท่าไหรนะเพราะฉะนั้นถึงไม่ได้ไปนรกเพียงแค่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นแหละ <c oughs> ถ้าหากว่าไม่ได้ทําบุญกุศลมากมายมาอย่างนั้นน่ะสงสัยว่าจะต้องไปนรกแน่นอนทีเดียวอ่ะเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพาการระมัดระวังให้ดี จิตใจอันนี้นะจิตใจของปุถุชนเนี่ยยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี่มันย่อมวันไว้เปตามอานาจของกิเลสบาปประรรมได้อยู่เป็นอย่างนั้นถ้าท่านผู้ใดเป็นผู้บรรลุอริยามรรคอริยผลเช่นเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วอย่างนี้ท่านผู้นั้นเป็นผู้มีใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลแล้วตั้งร้อยเปอร์เซนเลย อแล้วก็ละบาปได้ขาดเด็ดไปแล้วเพราะฉะนั้นจิตของท่านจักไม่ดำริไปในทางอาคูสนนะ์นี่นู้ไแต่พระทูชนนี่ยังละกิเลสบาปประทำนั่นให้ขาดเด็ดยังไปยังไม่ได้เลยก่าละได้กัละได้เป็นบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองนะไม่ได้ละได้หมดนี่แหละ แต่สําหรับพระโสดาบันแล้วขึ้นชื่อว่าสิ่งใดเป็นบาปแล้วนั้นทันละหมดไปเลยละได้หมดจะอย่างนั้นยิ่งอยู่ในตาราท่านก็กล่าวว่าพระโสดาบันนี่ความโลภความโกรธความหลงก็ยังมีอยู่แต่ว่าความโลภนในใจของพระโสดาบันนั้นไม่ไม่เป็นสิ่งที่จะบันดาลให้ท่านทําบาปอกุศลได้หมายความว่าอย่างนั้น พอมันคิดขึ้นมาเท่านั้นแล้วรู้ตัวแล้วเพื่อนก็กำหนดละไม่ถึงกับได้ลงมือทำด้วยกายพูดด้วยวาจาให้เกิดเป็นบาปอกุศลขึ้นไม่ถึงขั้นนั้นให้เข้าใจกันความโกรธก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อมีอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาบางทีเผลอๆโกรธขึ้นมาบ้างแต่ไม่ถึงกับว่าลงมือทำบาปด้วยกายและพูด บาปพูดในสิ่งที่เป็นบาปด้วยวาจาเพราะอาศัยความโกรธนั่นเป็นเหตุไม่ไม่ถึงขั้นนั้นแม่โกรธขึ้นมารู้ตัวแล้วก็รีดระงับทันทีไม่ถึงกับเลยลงไม้ลงมือทำในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษนี่นะคุณธรรมของพระโสดาบันเป็นอย่างนี้แม้ว่าพระโสดาบันท่านยังจะมีความหลงอยู่ แต่ความหลงอันนั้นก็อย่างว่านั้นนะไม่ถึงกับว่าให้เป็นมิจฉาทิฏฐิจะต้องเห็นผิดเป็นชอบไปอย่างนี้ไม่มีก็หลงไปบางสิ่งบางอย่างชั่วครู่ชั่วเวลาเดี๋ยวก็รู้ตัวพอรู้ตัวแล้วก็ตั้งสติใหม่ํำเนินไปในทางที่ถูกต้องต่อไปนี่เป็นคุณธรรมของพระโสดาบันเป็นอย่างนั้นแต่ผู้ทุช น, นี่ มันไม่แน่บางทีมันก็ลงมือทำบาปได้อยู่บางคนก็อาจจะไม่ทำอาจจะพยายามรักษากายวา จ, าจาใจของตนให้สมเสมอไปจนตลอดชีวิตก็ได้แต่หากว่าไม่ได้บรรลุมรคอก็มีอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นบนสวรรค์น่นะ่ะมันึงมันจึงมีทั้งกัลยาณชน แล้วมีทั้งพระอริยบุคคลอยู่บนสวรรค์นั่นนะไม่ใช่มีตั้งแต่คนอ่ธรรมดาสามัญเฉยๆนะพระอริยเจ้าก็มีอยู่นับแต่สวรรค์ชั้นดาวริงเนี่ยขึ้นไปเช่นพระโสดาบันเมื่อได้บรรลุโสดาบันจะเป็นมนุษย์นี้แล้วตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งในหกชั้นนนนะเพราะว่าท่านยังละสังโยชน์เบื้องบนยังไม่ได้ เพียงแต่ละสังโยชน์เบื้องต่านี่สังโยชน์สามนี่ได้เท่านั้นเองเนี่ยเพราะว่าสังโยชน์คือกิเลสเครื่องขูกกิจของสัตว์โลกทั้งหลายนี่มีถึงสิบอย่างนู่นเป็นอย่างนั้นวันนี้พระโสะดาบันนั้นละได้สามกับพระสกิทาคามีเนี่ยละสังโยชน์นี่ได้สามกับบรรเทาความโลภโกรธหลงนี่ลงได้สําหรับพระสกิทาคามีนะ พระอนาคามีละสังโยชน์ได้ห้าละสังโยชน์เบื้องต่ำได้ห้านี่ลยสำหรับพระอราหันต์แล้วละได้ทั้งสิบเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเพิ่งพากานเข้าใจสังโยชน์ก็หมายเอากิเลสนั่นเองหมายเอาจิตใจที่ท้่องอยู่ในกิเลสเป็นขั้นขั้นไปดังกล่าวมานั้น สุดแล้วแต่ใครกําจัดกิเลสออกไปได้เท่าไหรส่วนใดที่ยังละไม่ได้จิตมันก็คล่องอยู่ในกิเลสประเภทนั้นต่อไปนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแหละคนเราเกิดมาในโลกเนี่ยจึงจําเป็นต้องประกอบกุศลคุณงามความดีก็เพื่อที่จะให้กุศลคุณงามความดีนี่มาเป็นกําลังใจ ได้ทำความภาคเพียมพยายามละกิเลสตัณหานี่ให้น้อยเบาบางออกิจจากจิตใจเพราะว่ากิเลสมันก็มีอิทธิพลนะไม่ใช่มันไม่มีอิทธิพลนะทีนี้จิตใจนี้ถ้าไม่มีบุญคุณนี่เป็นกําลังใจแล้วมันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้เป็นอย่างนั้นเช่อนอย่างว่าความโลภอย่างนี้นะเมื่อบุคคลไม่มีทานวัตอยู่ในใจ มันก็สู้ความโลภไม่ได้ความโลภมันก็มาปั่นจิตให้คิดเพ่งเล็งอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีที่สุดเลยอะโดยเฉพาะก็เรียกว่าอยากได้สมบัติของอื่นนั่นแหละมาเป็นของจนนะอืเมื่อความโลภมันหนาแน่นขึ้นในใจแล้วนะเป็นอย่างนั้นที น, นี้บุคคลใดมาฝึกจิตใจให้ยินดีในการบริจาคทานจนติดนิดสัยอะไรอย่างนี้แล้ว ความโลภอย่างว่ามันครอบงำจิตใจไม่ได้เลยน เ, นเพราะว่าใจมันยินดีอยู่ในทานแล้วอยู่ในการเสียสละแล้วแต่ของของตนนะ่ะตนยังสละออกให้ทานได้เรื่องอะไรที่เราไปโลภไปแย่งชิงเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนนะมันเป็นไปไม่ได้ไอคนที่ไปแยง่งชิงเอของผวเป็นของตนเนี่ยเพราะว่าของของตนที่หามาได้นี่ก็ตั้นนี ไม่ยอมแจกแจงให้ใครเลยอย่างนี้นะแล้วของที่ตนมีอยู่นี่มันก็ไม่จุใจไม่พอใจอยากจะได้ให้มากกว่านี้อีกอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นมันถึงได้ไปแย่งสิงเอาของพื่นมาเป็นของตนนะความโลภมันจึงหนาแน่นขึ้นในจิตใจเพราะมันไม่มีทานะนไม่อยู่ในใจผู้ดใดมีทานะไม่ยอยู่ในใจแล้วความโลภครอบงําจิตใจไม่ได้ ผู้ใดมีเมตตากรุณาธรรมอยู่ในใจมากๆแล้วความโกรธครอบงำจิตใจก็ไม่ได้นี่แหละผู้ใดมีภาวนามีสติสมบัติชนะทำความรู้ตัวอยู่เสมอๆ อ, อย่างนี้ความหลงครอบงำจิตใจก็ไม่ได้รู้อยู่นี้รู้ว่าร่างกายนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนยากลำบาก เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่ยไม่ตามใจหวังนี่มันมีสติระลึกได้อยู่อย่างนี้รู้ได้อยู่อย่างนี้แล้วมันจะไปหลงไปเมาถือเนื้อถือตัวว่าตนเป็นผู้ดีวิเศษกว่าคนอื่นไปเที่ยวยกโทษคนอื่นยกตนขึ้นแล้วก็ข่มคนอื่นอะไรทำนองนี้มันเป็นไปไม่ได้คนที่มีสติมีปัญญามองเห็น ปัต ภ, ภาพร่างกายนี่เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอเสมอไปอย่างนี้คนผู้นั้นจะเป็นคนที่เรียกว่าอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างกระเดื่องไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเลยคนที่ชอบยกตนข่มผู้อื่นยกโทษผู้อื่นตีเตียนผู้อื่นบ่อยๆเนี่ยคนผู้นั้นแหละมันหลงอ่ะหลงขันห้านี่เลยหลงสําคัญว่าตนมเป็นตัวเป็นตนเป็น ของของตนจริงจังอย่างนี้เน่ยแล้วก็สาคัญว่าตนดีกว่าคนอื่นซ้ำเหตุนั้ น, นถึงชอบไปยกโทษคนอื่นทั้งที่ตนนั้นก็ชั่วอยู่มีความชั่วติดตัวอยู่แต่มองไม่เห็นความชั่วของตัวเองมองเห็นแต่ความชั่วของคนอื่นนี่เรียกว่าหลงนะนั่นแหละผู้มีภาวนาฝึกสติสัมปชัญญะให้รู้ตัวอยู่เสมอ ก่อนจะทำอะไรพูดอะไรก็ระลึกได้เสียก่อนว่าเราจะทำอย่างนั้นเราจะพูดอย่างนั้นควรหรือไม่ควรมีโทษหรือไม่มีเนี่ยเมื่อท ะ, ะลึกได้อยูน่นะี่ถ้ารู้ว่ามันมีโทษก็ไม่ทำไม่พูดถ้ารู้ว่ามันมีคุณเป็นประโยชน์ตอนลวผื่นก็ทำลงไปพูดไปมันก็เป็นประโยชน์ตอนลวผื่นเรื่อยไปอย่างนี้ท่านเรียก ว, ว่าเป็นคนไม่หลงไม่เมา ในสังขาร น, นามรูปอันนี้เมื่อไม่หลงเราก็สามารถใช้ขันห้าอันนี้ประกอบกุศลคุณงามความดีให้เป็นประโยชน์ตนแล้วก็อื่นได้ตลอดถึงบำเพ็ญจิตตะภาวนาทำใจให้สงบระงับจเจริญปัญญาอันสุขุมรุ่มลึกให้บังเกิดขึ้นได้คนที่ไม่หลงไม่ลืมตัวไม่สํำคันผิด ออย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นนะเพราะว่าจิตใจมันอ่อนโยนนี่คนไม่ถือเนื้อถือตัวนะปล่อยวางร่างกายนี้ตามสภาพเมื่อรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ไม่อไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันนะอย่างนี้แหละเมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจมันก็อ่อนโยนลงไปน้อมลงสู่ความสงบมันก็ลงได้ง่าย มันไม่แข็งกระด้างมันเป็นอย่างนั้นให้ทากันเข้าใจผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยหวังความก้าวหน้าแล้วก็ต้องเจริญไตรลักษณ์นาเนี่ยให้มันเจีมแจ้งอยู่ในใจเสมอเสมอแล้วก็อย่าไปชอบยกโทษผู้อื่นอย่าไปชอบยกตนข่มผู้อื่นใครอยากทำดีทําชั่วอะไรก็เป็นสิทธิของเขาอย่าไปเพ่งเล็งคนอื่น ให้เพ่งเข้ามาหาตัวตัวเองนี่ปรับปรุงตนเองนี่ให้เป็นศิลให้เป็นธรรมให้ตรงต่อคำสอนของพรธเจ้าเมื่อบุคคลที่ไม่มีความภาคเพียนพ ย, ยายามสารวมจิตใจของตนอย่างว่านี่นะมันอาจเกิดความเห็นผิดขึ้นมาได้ครับเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นเช่นนั้นเมื่อความเห็นผิดเกิดขึ้นแล้วในภ า, ายในจิตใจแล้วมันก็ ใช้กายทำใช้วาจาพูดแต่ในสิ่งที่มันผิดนั่นแหละมากกว่าทางที่มันถูกต้องนะเพราะว่ากายวาจานี่มันอยู่ใต้บังคับของ จ, จิตใจเมื่อใจเห็นผิดแล้วมันก็ต้องใช้กายวาจาทำผิดพูดผิดแน่นอนเลยถ้าเมื่อใจมันเห็นถูกแล้วมันก็ใช้กายวาจานี่ทำถูกพูดถูกความถูกต้องอันนั้นเมื่อมันรวมกาลังเข้ามางหากก็ไปแล้ว มันก็กลายเป็นางานความรู้ยิ่งขึ้นมาในจิตใจนั่นแหละเราอาศัยบุญกุศลนี่แท้ๆน ะ, ะรวมกำลังกันเข้าแล้วทำให้เกิดปัญญาอันวิเศษขึ้นมาได้ภายในจิตใจนี่นะให้พากันเข้าใจคนไม่มีบุญไม่มีปัญญาหรอกอขอให้เข้าใจทำนี้ก็ลงคิดดูพระพุทธเจ้าเป็นยังไงล่ะพระองค์สร้างบา ร, รมีสิทประการก็คือสร้างบุญนั่นเองนะ เมื่อบุญพระองค์เต็มบริบูรณ์เนะ่ะจึงได้เกิดดวงปัญญาณวิเศษขึ้นตัดกิเลส ข, ขาดจากทันดนังได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณสมดังความมุ่ง ม, มา่ปาถนานี่ดังแสดงมาขอยุดสิลงเพียงเท่านี้